Thank you. เพลงเพลงหนึ่งไม่รู้พวกเราเคยได้ฟังหรือได้ดูมิวสิกวิดีโอหรือเปล่าเป็นเพลงที่แพร่หลายพอสมควรใน u ู u ูบนะชื่อว่าห้านาทีบรรุธรรมนะชื่อเพลงน่าสนใจมากไม่ได้แต่งโดยคนแก่นะแต่งโดยคนหนุ่มเนื้อหานะก็ ถือว่าโดนใจผู้คนพอสมควรทำนองก็ใช้ได้เขาทำเป็นมิวสิกวิดีโอที่ได้ดูเนื้อหาก็ทำนองเนี่ยนะว่าชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งก็เป็นแฟนกันและความสัมพันธ์ก็ราบรื่นจนวันหนึ่งชายหนุ่มก็ขอแต่งงานกับหญิงสาว เธอปรกว่าหญิงสาวปฏิเสธแล้วก็ทิ้งเข้าไปาก็เสียใจมากนะเมื่อเสียใจแล้วเขาก็เลยเข้าวัดนะเขาตัดสินใจบวชช่วงที่โกนผมเนี่ยเขาก็พูดกับหลวงพ่อถามหลวงพ่อว่า ทำไมคนที่รักกันนะต้องลาจากกันเป็นพรกรรมหรือเปล่าหรือว่าไปทำอะไรไวนะ้ในอดิตชาติทานองนั่นนะถึงต้องไม่สมหวังในความรักนะต้องแยกทางกันอันนี้คงเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในใจของหลายคนนะเวลาความรักมันกลายเป็นความผิดหวัง หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ตอบตรงๆนะแต่พูดว่าพระเจ้าเนี่ยนะท่านก็เคยแสวงหาว่าสาเหตุแห่งทุกข์คืออะไรและทายโยมเนี่ยอยากจะรู้ว่าสาเหตุแห่งทุกข์คืออะไรก็ลองนะทดลองนะให้ทดลองทำให้โยมลองลืมตาสักห้านาที แล้วก็ไม่หลับตาเลยแม้แต่วินาทีเดียวไม่ว่ารมมันจะแรงแค่ไหนก็ต้องไม่หลับตานะชายหนุ่มคนนั้นก็ทดลองทำนะก็ปรากฏว่ามันทาได้ยากมากนะต้องฝืนทีเดียวเลยในการที่จะลืมตาโดยไม่หลับตาก็เรียกว่ามีความทุกข์นะจากการทดลองทาเช่นนั้นแล้วหลวงพ่อก็เลยพูดว่าเนี่ยสรรพสิ่งเนี่ย โดย แ, แต่ต้องมีการโรยราเมื่อมีลืมตานะก็ต้องที่สุดก็ต้องมีหลับตาถ้าฝืนไม่ยอมหลับตาก็จะมีน้ำตาไหลอันนี้แหละคือนะคือคำเฉลยของหลวงพ่อสำหรับคำถามที่ว่าเมื่อรักกันแล้วทำไมต้อง ลาจากกันนะต้องพัดพรากจากกันแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นธรรมดาของสรรพสิ่งนะนะเมื่อมีเกิดก็มีดับนะความจริงอันนี้มันก็แสดงให้เห็นง่ายๆนะจากการที่เราลืมตาและธรรมชาติของการลืมตาคือว่าสักพักก็ต้องหลับนะถ้าเราไม่ยอมหลับตาเมืม่อไหร่พยายามฝืนเอาไว้นะ ก็จะเกิดน้ำตาน้ำตานี่ก็เป็นสัญลักษณ์หมายถึงความเศร้าความโศความร่ำไรรำพันนะอย่างที่เราสวนเมาสักครู่ชายหนุ่มก็เข้าใจนะจากการที่ได้ทดลองทำตามที่หลวงพ่อแนะนำแค่ห้านาทีเนี่ยก็เข้าใจอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองนะความจริงเนี่ยและต่อมาชายหนุ่มก็พบว่าหญิงสาวเนี่ยนะที่เขาทิ้งเข้าไปเนี่ย ที่เธอทิ้งเขาไปเนี่ยเพราะว่าหญิงสาวเนี่ยป่วยนะคงจะเป็นโรคอะไรสักอย่างนะเพราะว่าอาจเปียนมาเป็นเลือดนะหญิงสาว ก, ก็ยังรักชายหนุ่มอยู่นะแต่เห็นว่าตัวเองเนี่ยกาลังจะตายด้วยโรครายก็เลยตัดใจทิ้งชายหนุ่มไปกว่าชายหนุ่มจะรู้อีกทีก็หญิงสาวก็เสียชีวิตแล้วก็กลายเป็นว่า ชายหนุ่มก็ต้องไปงานศพไปงานศพของหญิงสาวแล้วก็เลยเข้าใจนะแปลว่าพอไปที่สารานะสวดศพก็เข้าใจสัจธรรมเลยนะว่ารักแทรรักแค่ไหนรักมากเท่าไหร่นะมันก็ต้องมีการจากลานะถ้าไม่จากเป็นก็จากตายนะนะอันนี้ก็เป็นเนื้อหานะของ เพลงแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอเรื่องนี้นะสิ่งที่เขาเนื้อหาของเพลงนี้พยายามบอกแล้วคือว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแม้แต่สิ่งที่เรารักหรือแม้แต่คนที่เขารักเราเนี่ยนะก็รู้แล้แต่ตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงและจริงๆคำว่าความไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามารอให้เห็นตอนที่คนรักทิ้งเราไปหรือว่าตอนที่คนรัก ล้มหายตายจากไปอันนั้นมันนานกว่าจะรู้นี่ก็ใช้เวลานานอาจจะเป็นเวลาหลายอาทิตย์หลายเดือนหรือหลายปีแต่ที่จริงความไม่เชื่อมันแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแสดงเห็นจากอะไรนะจากที่หลวงพ่อแนะนําท่านมีอุบายให้เราเห็นให้ชายหลวงคนนั้นเห็นนะว่าไอ้ความไม่เชื่อมันเกิดขึ้นกับร่างกายเราตลอดเวลาเพียงแค่เราลืมตานะ แล้วที่สุดเราก็ต้องหลับตาอันนี้คือความไม่เที่ยงนะที่ร่างกายมันแสดงให้เราเห็นแต่เราไม่ทันสังเกตเวลาเราลืมตาพอเมื่อตาเราก็หลับตาแล้วเราก็ไม่สังเกตว่าการลืมตาโดยที่ไม่หลับตาเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันก็ก็ไม่ตายจากเวลาเราหายใจเข้าแล้วถ้าเราไม่หายใจออกนะมันก็ต้องตาย ไม่มีใครที่หายใจเข้าไปตลอดมันต้องมีหายใจออกแต่เราไม่รู้สึกเลยว่านี่คือสัจธรรมที่สะท้อน <c oughs> ถึงความเป็นอนิจจังเพราะว่าเราทําจนเป็นธรรมดาไปแล้วเวลาเราหายใจเข้าเราจะไม่รู้สึกถึงทุกข์เลยนะถ้าหากว่าไม่หายใจออกเพราะว่าพอเราหายใจเข้าสักพักเราก็หายใจออก ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นแต่ถ้าเราลองทดลองหายใจเข้าไม่หายใจออกนะความทุกข์มันแสดงตัวไว้เห็นทันทีเกิดความอึดอัดขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าทุกข์แล้วทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรทุกข์เกิดขึ้นเพราะฝืนความจริงนี่แหละคือคําตอบที่หลวงพ่อท่านบอกโดยที่ไม่ได้เฉลยโดยตรงนะอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยนะอยากจะรู้ว่าซอยแห่งทุกข์คืออะไรนะ คำตอบมันก็แสดงตัวมาจากการที่ว่าใจแห่งทั่วคือการที่เราฝืนความจริงเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเราไม่ยอมรับความจริงว่ามันมีเกิดแล้วก็มีดับมีเข้าแล้วก็ออกมีลืมตาก็ต้องมีหลับตางั้นทํามานจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะอย่างเพลงหรือมิวสิกวิดีโอชุดเนี้ยเรื่องเนี้ยเขาก็เอาเรื่องง่ายๆมาทาให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี้ย ธรรมะนี่มันอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็เป็นธรรมะที่สำคัญด้วยไม่ต้องรอให้คนรักตายจากไม่ต้องรอให้แฟนทิ้งไม่ต้องรอให้พ่อแม่ตายซะก่อนจนมาทราบซึ้งถึงอดิจังหรือถึงตรนักว่าชีวิตนั้นไม่เที่ยงความไม่เที่ยงมาแสดงตัวให้เราเห็นตลอดเวลาแม้กระทั่งขาะที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ย ถ้าเรานั่งเราไม่ขยับนะเกิดอะไรขึ้นเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะธรรมาชาติของกายเนี่ยนะเมื่อนั่งในท่าใดเนี่ยมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนท่าเหมือนลืมตาก็ต้องหลับตาเหมือนหายใจเข้าก็ต้องหายใจออกเรานั่งในท่าใดเราไม่ขยับนะทุกข์ก็จะแสดงให้เห็นนะแต่เราไม่รู้สึกนะเพราะว่าพอเราเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเราก็ขยับเลย แต่ถ้าเราลองฝืนดูเนี่ยนะไม่ยอมขยับนะมันก็จะเกิดความทุกข์นั้นทุกนะสายแห่งทุกข์ก็คือการที่เราไม่เห็นความจริงนะหรือว่าไม่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะมันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาสายแห่งทุกข์ในที่นี้เนะี่มันถึงความทุกข์ใจนะไอ้ความทุกข์กายเนี่ยนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะบางทีอาจจะเกิดจากอ่นะ แดดร้อนอากาศหนาวนะหรือว่าเจอหนาแหลมมาทิมจะจะว่าไปอาการเหล่านั้นเนี่ยมันก็สะท้อนถึงความไม่เที่ยงเหมือนกันนะเพราะอากาศที่มันแเปลี่ยนไปจากร้อนเป็นหนาวจากสบายเป็นอ้าวเนี่ยนะมันก็เป็นตัวสะท้อนถึงความไม่เที่ยงเหมือนกันเรื่องการที่ได้เห็นทำเนี่ยนะจาก การฟังเพลงนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของอเฉพาะยุคนี้เท่านั้นนะนเพลงนี่มันสามารถจะเป็นสื่อให้เราเข้าใจธรรมะได้เหมือนกันนะถ้าเรารู้จักฟังในสาพุทธการเนี่ยก็มีพารูปหนึ่งนะท่านก็เดินจาริกนะระหว่างที่เดินจาริกท่านก็เดินผ่านสะแล้วก็เห็นบัวมันบานเมื่อโดนแสงอาทิตย์ เดินไปสักพักก็เห็นผู้หญิงเป็นนางทาตหรือว่านางทาสีเนี่ยกำลังร้องเพลงเนื้อหาของเพลงก็คือว่าคนเราต้องตายนะคนเราสักหนึ่งต้องตายเหมือนกับดอกบัวที่บานเมื่อโดนแสงแดดหรือว่าโดนแสงอาทิตย์ท่านฟังท่านก็ไม่ได้ฟังผันผ่านนะท่านฟังท่านก็พิจารณาไปปรากฏว่าจิตของท่านสว่างว่าไปเกิดปัญญาและบรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต พระอรหันต์ที่บรรลุธรรมได้เพราะการฟังเพลงนี่มีนะแล้วก็ฟังเพลงจากหญิงสาวด้วยคนบางคนเข้าใจว่าการฟังเพลงมันเป็นข้าวสุดต่อพรหมจันร์มันเป็นก็ต่อเมื่อเราเนี่ยฟังเพื่อความเพลิดเพลิน เ, เพื่อสนองกินเละแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจฟังหรือว่าฟังอย่างพิจารณานเนี่ยเนื้อหาของเพลงก็อาจจะสอนใจหรือว่าเปิดใจเราให้เห็นธรรมะ เห็นความจริงเดยเพพาะเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตเรื่องความไม่เที่ยงช่วยที่มันเป็นสายธรรมที่เราต้องะระลึกนึกถึงอยู่เสมอนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและความทุกข์ของผู้คนเนี่ยก็เกิดจากการที่ไม่เห็นความจริงข้อนี้หรือไม่ยอมรับความจริงนะเมื่อร่างกายเนี่ย ที่เคยหนุ่มเคยสาวเนี่ยมันเริ่มแก่หลายคนเป็นทุกข์ไม่ต้องรอให้แก่ถึงขั้นผมงอกหรือว่าผิวหนังเหี่ยวย่นนะนเพียงแค่ว่ามันเริ่มมีสิวมีฝ้าตกกระขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็ทุกข์ลวยอมรับความจริงไม่ได้แต่สมัยนี้เนี่ยแทนที่เราจะทำใจยอมรับความจริงเนี่ย มันมีช่องทางให้เราหนีให้เราหลบให้เราเลี่ยงนะเช่นนะถ้ามีสิวมีฝ้าก็เอาครีมอะไรสักอย่างทาหรือว่าถ้าเหี่ยวย่นก็ดึงหน้าให้ตึงนะฉีดโบท็อกเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็ไปถึงขั้นว่าถ้ามันเหี่ยวมากๆนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าใหม่ได้เลยนะสามารถจะออกแบบหน้าใหม่อนะที่ต้องการได้อย่างที่นักล้องนะนะคนดังเขานะ เป็นข่าวไอ้สิ่งไรที่ดูเหมือนดีนะดูเมันเป็นความหวังของคนที่ต้องการมต้องการสาวเสมอแต่ว่ามันกลายเป็นโทษเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ในการยอมรับความจริงและในเมื่อเรายอมรับความแก่ไม่ได้เนี่ยเราก็จะยอมรับความเจ็บป่วยไม่ได้เหมือนกันพอเจ็บป่วยก็จะมีความทุกข์ขึ้นมากรุ่หมออ ก, กุ้มใจ ไห้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันทําให้ทุกข์กายอยู่แล้วนะแต่พอวางใจไม่เป็นไม่อยอมรับความจริงในเรื่องของอนิจจังเนี่ยนะก็จะทุกข์นะและความทุกข์ใจเนี่ยนะมันก็ไปซ้ําเติมทําให้ทุกข์กายแยกนะอย่างที่เล่าตัวอย่างนะคนที่เป็นมะเร็งหมอบอกว่าอยู่ได้สามเดือนเพราะว่าทำใจไม่ได้ใจเป็นเพราะว่าโรคมันร้ายถึงขั้นตายในเวลาไม่กี่เดือน ให้ความทุกข์ใจก็ทําให้ตายเร็วเข้านะจากสามเดือนที่หมอพยากรแม่ก็แค่สิบสองวันเท่านั้นเองไม่ต้องพูดถึงความตายนะยิ่งทําใจไม่ได้แต่ที่จริงเราก็ต้องนะพิจารณานะหรือว่าเตือใจอยู่เสมอนะเรื่องความตายนะว่ามันเป็นมันเป็นของที่จริงแท้แน่นอนที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราและมันจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ การเตือนใจให้เราถึงความตายนะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะข้อหนึ่งนะที่พระเจ้าท่านได้สอนอยู่เสมอนะไม่มีเรื่องที่น่าสนใจนะมีคราวที่พระเจ้าเนีไปแสดงธรรมที่เมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองอาราลบเมืองอาลวีเมืองนั้นเนี่ยก็มีหญิงสาวคนหนึ่งนะเป็นลูกสาวช่างหูกหรือช่างทอผ้าเมื่อรู้ว่าพระเจ้าเสด็จมาเนี่ยก็ อยากจะไปฟังธรรมที่จริงผู้จ้า เ, เคยมาที่เมืองนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะเมื่อสามปีก่อนแล้วก็หญิงสาวคนนี้ก็ได้ฟังธรรมตอนนั้นอายุสิบหกตอนนั้นผู้จ่าสแสดงธรรมเรื่องมรณะสตินะเรื่องว่าชีวิตเนี่ยมันไม่เที่ยงความตายท า, างที่มันเที่ยงแล้วก็มนุษย์เราทุกคนเนี่ยก็ยังมีความตายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องระลึกถึงความตายอยู่เสมอนาง น า, น, นางสาวคนนี้ชื่อเปสการเนี่ยก็กเ็เรียวกว่าประทับนะประทับใจในคำสอนนี้มากก็พิจารณามรณกสติเสมอแล้วก็เมื่อในสาวกุญแจมาแสดงธรรมก็อยากจะไปฟังแต่เช้าวันนั้นเนี่ยพ่อซึ่งเป็นเป็นช่างหูกช่างทอผ้านเนี่ยกำลังทอผ้าค้างอยู่แล้วก็ได้มันขาดได้ไม่พอ ก็สั่งให้นางเนี่ยนะให้ลูกสาวเนี่ยไปไปทออาไปไปกรอได้ไปสถานที่กรอได้ก็อยู่อีกที่หนึ่งนะนางก็ต้องเดินจากบ้านไปโรงกรอได้กรอได้เสร็จก็ก่อนจะกลับมาหาพ่อเนี่ยก็อยากจะไปฟังธรรมส่วนพระพุทธองค์เนี่ยนะเมื่อไปที่เมืองนั้นเนี่ยพระองค์ ชั้นพัตตาหารเสร็จเนี่ยแทนที่จะแสดงธรรมพระองค์ก็ไม่แสดงธรรมนะคนก็แปลกใจว่าพระองค์ทำไมไม่แสดงธรรมรากว่าพระงรองค์รอรอ น, นางเปสศกาเนี่หลนะพอมาเนี่ยนะพระองค์ก็สนทนากับนางถามนางว่าเธอมาจากไหนนางตอบว่าดิฉันไม่ทราบค่ะเธอจะไปไหน ดิฉันไม่ทราบค่ะเธอไม่ทราบใช่ไหมดิฉันทราบคะ่ะเธอทราบหรือดิฉันไม่ทราบค่ะเราฟังแล้วงงัหมชาวบ้านเนี่ยเขาฟังแล้วเขาก็ไม่พอใจนางเปศ ก, การ์วบว่าตอบเนี่ยตีฝีปากเนี่ยไม่ตอบให้มันชัดเจนลงไปก็รู้อยู่แล้วว่ามาจากไหนก็มาจากลงทอลงลงกรอดได้แล้วจะไปไหนก็จะกลับไปบ้านไง ก็ตอบว่านางเปสกากุจเจ้าบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งฟังนางก่อนให้ฟังนางก่อนพระพุทธเจ้าก็ถามว่าที่เราถามเธอว่ามาจากไหนทําไมตอบว่าไม่ทราบค่ะนางเปสกาก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งใจจะถามนางว่าก่อนก่อนมาเกิดมานะเป็นมนุษย์เนี่ยเธอมาจากไหนเธอก็เลยตอบว่าไม่ทราบ คือไม่ทราบว่าชาติที่แล้วเนี่ยนะเป็นใครและที่พระเจ้าถามว่าจะไปไหนเนีย่ยที่จริงพระเจ้าต้องการถามว่าตายเราจะไปไหนเธอก็ตอบไม่ทราบนะและที่พระเจ้าถามว่าเธอไม่ทราบหรือเนี่ยที่จริงพระเจ้าตั้งใจจะถามว่าเธอไม่ทราบหรือว่าจะต้องตายก็เลยตอบว่าทราบนะต้องตายแน่แล้วที่พระเจ้าถามว่าแล้วเธอทราบหรือนเนี่ยทำไมเธอถึงตอบว่า ไม่ทราบเธอก็ตอบว่าที่พระเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเนี่ยก็คือพระเจ้าต้องการถามว่าเธอรู้ไหมว่าจะตายเมื่อไหร่เธอตอบว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไหร่บอกว่าที่เธอตอบเนี่ยตรงกับความตั้งใจของพระเจ้าผู้คนก็เลยสรรเสริญอว่าว่านางเป็นคนฉลาดมากหลังจากนั้นพระเจ้าก็แสดงธรรมสั้นๆว่าเอ มนุษย์เนี่ยนะส่วนใหญ่นะเหมือนคนตาบอดน้อยคนที่จะเห็นทางสว่างน้อยคนที่จะรู้แจ้งน้อยคนที่จะไปสวรรค์นะเหมือนก็เหมือนกับนกเนี่ยที่เมื่อเมื่อเหมือนกับ น, ก, น, ท น, น, ก, นกที่น้อยน้อยตัวที่จะหลุดออกจากตาข่ายนะของพรานที่ดักจับนกได้นั่งฟังที่นี่นางก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเสร็จแล้วนางก็นะ ไม่ลืมหน้าที่ที่พ่อฝากไว้ก็คือว่าเอาได้ไปส่งตอนที่เอาได้ไปส่งเนี่ยพ่อเนี่ยรอนางจนหลับนะพอนางไปถึงเนี่ยนางก็วางนะตะกร้ากรอดได้เกิดส่งเสียงดังขึ้นมาพ่อตกใจตื่นพ่อตกใจนะตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เผลอเนี่ยเอาฟืนเนี่ยไม้ฟืนเนี่ยพุ่งใส่ประกอบมาไปปักอ ก, อกนาง ตายตายคาที่เลยนะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ น, นะว่าความตายเนี่ยมันมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยนางก็ยังตัดกับผู้เจ้ายังพูดกับผู้เจ้าหลั ด, ลดเลยว่าไม่ทราบนะว่าจะตายเมื่อไหร่ปรากว่าไม่ถึงชั่วโมงนะหรือไม่ถึงสิบห้านาทีนางก็ตายซะละ แต่ว่าก็เป็นการตายที่ไม่สุเปล่านะเพราะว่านางเนี่ยก็จะเป็นพระโสดาบันนะก่อนที่จะเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะเตือนใจเราเรื่องของถึงความไม่เที่ยงของชีวิตนะแม้แต่คนที่รู้ว่าชีวิตไม่เที่ยงเนี่ยก็อาจจะตายนะแบบรวดเร็วฉับพลันก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพึงตระหนักนะว่าความตายเนี่ย มันเป็นธรรมดาของชีวิตนะและมันสามารถที่จะเกิดขึ้นกับเรานะได้ตลอดเวลาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีเพื่อนบอกว่าเนี่ยมีเพื่อนนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยมาทาบุญด้วยกันที่วัดนะมาทาบุญที่วัดแถวแถวแถวปทุมนะนะแถวลังสิตพอทาบุญถวายอาหารเสร็จก็กลับไป ทำงานนั่งรถกับเพื่อนรุ่นพี่บอกว่าไปไม่ถึงที่ทำงานนะโดนรถคันหนึ่งเนี่ยเป็นรถเบนขับด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนซ้ายนะเลนซ้ายนะ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยชนรถของสองคนนั้นเป็นรถฟอร์ดแล้วก็ไฟเกิดลูกท่วมแล้วก็ ทั้งสองคนตายนะตายในรถออกมาไม่ได้ถูกไฟคลอกตายอันนี้มันเป็นเรื่องที่ปัจจุบันทันด่วนมากตัวนี้เป็นข่าวใหญ่นะเคสเนี่ยเพราะว่าเาจ้าของรถเบนเนี่ยรวยนะแล้วก็คิดดูนะขับรถเบนเนี่ยในกรุงเทพนะสองรอกิโเมตร่อชั่วโมงแถมขับเลนซ้ายนะแล้วก็ดูดูจะมีเส้นสายใหญ่โตเนะี่ย แต่ว่าประเด็นที่อยากจะพูดคือว่าความตายเกิดขึ้นได้เร็วมากเพราะนันเนี่ยเราต้องต้องไม่ต้องเตือนใจเราอยู่เสมอนะว่าความความตายสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาแล้วทั้นนั้นไม่พอนะต้องเตือนใจว่าคนที่เรารักคนที่เรารักเนี่ยก็สามารถจัดจากเราไปได้ทุกเมื่อนะจะประมาทไม่ได้เลยนะ มีเรื่องเล่าว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะพยาบาลคนหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยป้าป้าป่วยก็มารักษาที่โรงพยาบาลของเธอป้าคนนี้เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เล็กนะแม่ไม่เคยได้เลี้ยงอะ่ะป้านี่เลี้ยงจนกทั่งเธอจบนะมัธยมเธอก็ไปเรียนพยาบาลอีกจังหวัดหนึ่ง และนัดแต่นั้นเนี่ยมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมบ้านเรียนหนักจนเรียนจบเธอก็ทำงานต่อนะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ลาดบุรีเธอก็ไม่ค่อยได้มีเวลากลับไปเยี่ยมป้าผู้มีพระคุณนะไม่ต้องพูดถึงการตอบแทนบุญคุณนะแล้ววันหนึ่งป้าเนี่ยเกิดป่วยป่วยหนักนะป้าก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเธอซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่อยู่ห้องไอซู เธอก็ดีใจนะว่าเธอจะได้มีโอกาสดูแลป้าแต่เธอก็สุดท้ายก็ไม่ค่อยได้ดูแลเพราะว่างานเยอะนะโรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยแต่ไม่มีเวลาไปแม้กระทั่งไปเยี่ยมแล้วก็เธอตั้งใจว่าเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยเธอจะไปเยี่ยมจะไปเยี่ยมป้าวันนั้นคือวันพฤหัสปรากฏว่าพอเช้าวันศุกร์ นะเพื่อนมาชวนชวนไปเที่ยวพัทยาเย็นวันศุกร์เลยเธอเนี่ยเป็นคนภาคกลางเนี่ยไม่เคยเจอทะเลเพื่อนชวนไปพัทยาก็ตกลงไปแล้วคิดว่าเดี๋ยวกลับมาวันอาทิตย์ค่อยไปเยี่ยมป้าแล้วกันเดิมที่ตั้งใจไปเยี่ยมบันเสารนะแลเธอก็ไปเล่นไปเที่ยวพัทยาสนุกสนานพอ วันอาทิตย์เธอก็กลับมาถึงโรงพยาบาลประมาณค่ำๆ ค, ค่ำวันอาทิตย์ก็เดินตรงไปที่หไอซ ICU ที่ป้าอยู่เพราะว่าไปไม่ถึงนะเจอเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าป้าเธอเสียชีวิตแล้วในเช้าวันอาทิตย์นั่นเองเธอเสียใจายมากเลยเธอรู้สึกว่าเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงนะที่ปล่อยให้โอกาสทองในหลุดลอยไปป้านี่มาป่วยที่โรงพยาบาลก็นานเป็นอาทิตย์แล้วนะเธอก็ไม่ยอมไปสักที คันจะไปก็ก็ม า, าปล่อยโฮการให้หลุดไปอีกนะเพราะว่าเห็นกับการเที่ยวเห็นกับความสนุสนานก็กลายเป็นแผลเป็นความรู้สึกผิดที่ติดตรึงค้างคาใจเธอเนี่ยมาเป็นเวลาส0บปีเลยนะเธอก็ยังสึกยังเสียใจอยู่อีกลายหนึ่งเนี่ยนะเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะไปเข้าคอร์สอบรม เพื่นอนอามาเป็นวิทยากรก็มีช่วงหนึ่งที่วิทยากรต้องการเน้นให้กลับมาเห็นความสำคัญของคนรอบข้างที่อาจจะมีความขัดแยง้งกันเธอก็ให้แต่ละคนเนี่ยได้พูดถึงคนใกล้ชิดที่มีความรู้สึกเหินห่างเหินห่างมังเมินซึ่งหลายคนก็ เลือกเอาพ่อบ้างแม่บ้างคนรักบ้างเอาพิมพ์วพันนี้แกก็เลือกเอาพ่อเธอมีปัญหากับพ่อวิทยาการก็บอกว่าเนี่ยลองนึกว่าเนี่ยลองนึกอางมุมนึงว่าเขามีคุณก็มีบุญคุณกับเราอย่างไรบ้างเขาเคยทำดีกับเราอย่างไรบ้างหรือว่าเราเคยมีความสุขดีๆร่วมกันอย่างไรบ้างนะก็ให้เขียนเขียนเสร็จก็ให้ลอง พูดถึงความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรเขานะเธอก็พูดถึงความรักที่เธอมีต่อพ่อพ่อดูแลเธอตอนเด็กๆนะพูดถึงความดีของพ่อหลายอย่างแล้วก็อยากจะบอกพ่อว่ารักพ่อเขียนไปก็น้ําตาก็ซึมนะเพราะว่ารู้สึกว่าโอไอ้เรื่องที่เราขัดแย้งกับพ่อนี่ที่จริงเนี่ยพ่อก็ดีกับเรามาก เขียนจบไม่พอนะวิทยากรบอกว่าเอาละทุกคนให้โทรศัพท์ไปถึงคนที่เรากำลังเขียนถึงเลยเทุกคนนี่ช็อกเลยนะเพราะว่าจะพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยทางโทรศัพท์ก็หลายคนไม่กล้าพูดเพราะว่ามีเรื่องขัดแย้งกันมีเรื่องทะเลาะ ก, กันแล้วจะมาพูดเรื่องความรู้สึกดีๆต่อการก็พูดยากแต่หลายคนตัดสินใจนะโทรศัพท์ไปหาส่วนวิยกรนี้เนี่ยเธอไม่ยอมทา เธอบอกว่าเดี๋ยวมาเรือเนี่ย็กลับบ้านแล้วเดี๋ยวก็เจอหน้าพ่อนะเดี๋ยวก็นะบอกพ่อเอาไว้ถึงเมื่อได้เจอหน้าพ่อแล้วกันนะเธอก็หาทางผัดผ่อนนะอันนี้ก็เป็นคําแก้ตัวของเธอก็ว่าได้ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นทางบ้านก็โทรมาบอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยพ่อแขนคอตายพ่อเป็นโรคประสาทเนี่ย โอ้เธอเสียใจายมากเลยเพราะว่าถ้าเธอเนี่ยคืนนั้นเนี่ยเธอโทรไปหาพ่อเนี่ยพ่ออจจะไม่ค่าตัวตายก็ได้เพราะว่าพ่อจะรู้สึกดีใจที่ลูกมีความสุขดีกับพ่ออันนี้มันเป็นตัวอย่างแบบนี้มันเป็นเพราะว่าอะไรนะเกิดขึ้นเพราะว่าความรู้สึกชราใจรู้สึกว่ายังมีเวลาสิ่งที่ควรทำเนี่ยนะหลายครั้งเรา ไม่ยอมทำหลายครั้งเราผัดผ่อนเพราะเราคิดว่ามีเวลาไม่ทำวันที่ทำพรุ่งนี้ก็ไดนะ้บ่อยครั้งเนี่ยนะงานการมันก็เอาเวลาไปจากเรานะไม่มีเวลาไปเยี่ยมป้าเพราะว่างานเยอะนะแต่พอมีเวลาขึ้นมาก็นึกถึงการความสนุกสนานนะเพื่อนชวนไปเที่ยวพัทยาว่ายน้าทะเล แล้วก็ผัดผ่อนไปเรื่อยสุดท้ายโอกาสทองก็หลุดลอยไปอันนี้เรียกว่าความประมาทผู้คนเนี่ยทําผิดพลาดแล้วก็เกิดความรู้สึกผิดติดค้างใจนะมากมายนี่ก็เพราะว่าความประมาทนะตัวอย่างแบบนี้มีเยอะมากนะปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปนะเพราะว่าคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีนะมันมีภาษิต ท, ที่เบบอกว่า ไม่มีใครรู้หรอกนะ ว, ว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนนะเดี๋ยวไปคิดว่ามีพรุ่งนี้แล้วค่อยมีชาติหน้าบางคนนี่จากวันนี้ไปนะก็ชาติหน้าเลยนะในโลกนี้มีคนประมาณแสนห้าหมื่นคนที่วันนี้คือวันสุดท้ายของเขาพ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นหนึ่งในแสนห้าร 150, 000, หรือเปล่า เพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญมรนสติเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากไนะที่จะช่วยเตือนใจให้เราลึกว่าอะไรที่ควรทำนะก็ต้องรีบทำนะทุกวันทุกเวลาทุกชั่วโมงคือโอกาสทองคือนาทีทองที่เราจะได้ทําสิ่งดีๆไม่ใช่เฉพาะกับสิ่งกับคนที่เรารักแต่จะรวมถึงสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจของเรา เช่นการปฏิบัติธรรมการทำบุญทำกุศลและถ้าเราผัดผ่อนนะเราหลีกเลี่ยงนะเพราะคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีอันนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงนะเพราะว่าพอถึงวันพรุ่งนี้โอกาสดีๆที่เราจะได้ทำกับคนที่เรารักก็หมดแล้วเพราะเขาจากไปซะก่อน หรือบางทีก็เป็นเราเองที่ไปน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราเนี่ยระลึกถึงความไม่เที่ยงชีวิตคือมรณะสติไว้เสมอในขณะเดียวกันก็เผื่อใจไว้ด้วยนะสัสความสูญเสียพัดพรางบางทีมันก็ไม่ได้พัดพรางถึงตายนะแต่ว่ามันก็จะมาในรูปของความสูญเสียคนรักคนรักเขาจากไปเขาทิ้งไปหรือว่าอสมบัติของรักของหวน ของห่วงมันเสื่อมไปนะมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ต่อเวลาเงินถูกโกงบ้านถูกยึดรถนะถูกขโมยนะหรือว่างานการที่สำเร็จก็กลายเป็นล้มเหลวที่เคยมีงานมีการดีก็ปกระกฏว่ากลายเป็นคนตกงานนะที่เคยมีหน้ามีตาก็กลายเป็นคนที่ถูกกลายเป็นคนที่ถูกสังคมตาหน้าลุมปนนามนะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะ ในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นในวันนี้มันอาจจะกลายเป็นตัวนข้ามในวันพรุ่งนี้ก็ได้ฉะนั้นถ้าเราเปิดใจแบบนี้เนี่ยเวลาเจ็บป่วยก็ดีเวลาสูญเสียก็ดีเวลาพลัดพรากจากคนรักก็ดีเวลาชีวิตมันเข้าสู่ภาวะขาลงก็ดีเราก็จะทําใจได้อ่าเราคำนึงเพื่อทํานี้นะอ้าวกราบพระ